มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหานวาวมะวากทุตังค่าปัญหาที่9เรื่องพระยามิลินปรารบจะถามเรื่องทุดงกับพระนาคเสสนอันดับนั้นสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี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 สงร่าเริงบันเทิมพระหรุทยยิ่งนักโคโนวิยะปิปาสิโตประดุดดังโคอันอยากน้ำเป็นที่สุดแล้วเม่นขมักที่จะไปหาน้ำชาโตวิยะปุริโสประการหนึ่งดุดบุรุษที่หิวข้าวแล้วเที่ยวเสาะสแสวงหาภูชนาหารปันตกโวิยะสัตถังปฏิมานีถ้ามิฉนั้นดุดคนที่จะเดินทางไปในหนทางเปรียวกันดาร อันงอนง้อขอพึ่งพวกเวียนเป็นเพื่อนไปอาตโรวิยะพิสกังถ้ามิฉนั้นดุดคนไข้อันเที่ยวหาหมอให้เยียวยาอธทโนวิยะนิถิงถ้ามิฉนั้นดุดคนขัดสนจนยากอันเที่ยวเสาะสแสวงหาขุมทรัพย์ปาระตารโนวิยะนาวังถ้ามิฉนั้นดุดคนอันจะข้ามฝั่งอยากจะได้ซึ่งนาวาเป็นพาหนะข้ามไป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 นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาในการบัดนี้ให้โยมแจ้งก่อนพระนาคเสนจึงมีเถระวาจาถวายวิสัชนาว่ามหาราชาขอถวายพระพรอัตมาจะถวายวิสัชนาคํานวณ น, นับคฤหัสที่ปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติแล้วได้บรรลุมรรคผลเล่าด้วยร้อยหรือพันแสนหรือโกดร้รอยโกดหรือพันโกดไม่ได้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 ก็มีพระอริยบุคคลกําหนดได้ห0 0 0 0แสนกับสามื่นครั้นเมื่อพระองค์สำแดงพระธรรมเทศนาเมื่อครั้งทรมานธนะปาลหัดถีนั้นมนุษย์ก็พ้นทุกข์ถึง 90,000 ือินทะสาระคูหายังครั้นเมื่อตรัสเทศนาที่ถ้ำชื่ออินทะสาระคูหาเทวดาทั้งหลายฟังพระสธรรมสำเร็จธรรมวิเศษแปสบโกฏ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 กระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนั้นใช่จะกระทำให้แจ้งได้แต่บรประชิตฝ่ายเดียวหาไม่ได้เทพพยาดาทั้งนั้นก็ดีมนุษย์อันเป็นขราวาดก็ดีก็กระทำได้ขอถวายพระพรเรื่องถามว่าฆฤหัสปฏิบัติดีก็ได้นิพพานถ้าฉะนั้น ทุดงสิบสามจะมีประโยชน์อะไรแก่ภิกษุเล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอรตรัดว่าพันเตนาคเสณะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาผ้าว่าพระผู้เป็นเจ้าว่าครื่งหัดผู้สัมมาปฏิบัติกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเหมือนกันกันกบพระภิกษุได้แล้ว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 พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาว่าอัถวีสติโขปนะมหาราชะอเมทุตังคคุณาขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารอันว่าทุดงคขคุนนั้นมียี่สิบปดประการสมเด็จพระบรมโลกกรนราชศาสตราจารย์ทรงขวนขวายสแสวงหาก็ทุดงคักคุนยี่สิบแปดประการนั้นสุทธาชีวัง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 ได้ขวัญข้าวและข้ายาเป็นบำเหน็จเหตุได้ตั้งความเพียรมร่ำเรียนในสำนักอาจารย์มาแต่ก่อนยะถามีคารุวนาฉันใดบุคคลที่เป็นขราวาสได้สำเร็จแก่ธรรมวิเศษกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี้ก็อาศัยที่ได้รักษาทุดงไว้แต่ชาติก่อนหลุดหมอซึ่งได้เรียนวิชามาก่อนฉะนั้นมหาราชะ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 ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งอันวาทุดงข้าคุณนี้เหมือนหนึ่งว่ามิตรร่วมใจจะให้สำเร็จพระสามัญเหยผลแห่งบุคคลผู้ปรารถนาเพื่อจะให้บริสุทธิ์ปัทุมะสมังมหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันวาทุดงข้าคุณนี้เปรียบดุจปฐุมชาติบัวหลวง อันมิได้ติดต้องไปด้วยอุทธากังคือกิเลสทั้งปวงมหาราชาขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารทุตังะคะขุนังอันว่าทุดงค่คุณจะตุชาติวรคันทะสมังเปรียบดุจคันทชาตสีประการอันหอมประเสริฐอันจะ ก, กำจัดเสียซึ่งกิเลสมนทินกลิ่นร้ายสาทานมหาราชา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 จะลางเสียซึ่งมนทินคือกิเลส ท, ทั้งปวงแห่งบุคคลอันปรารถนาจะให้บริสุทธิ์จากวัตตะสงสารมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าทุดงค่าคุณนี้เทสกะสมังเสมือนหนึ่งบุคคลจะนำทางให้เยื้องย่างไปสู่ทางตรงไม่ให้หลงไปตามทางอันทุเรศคือทิฏฐิอาสะวะกิเลสอันร้าย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 เป็นที่จะคลี่คลายซึ่งกิเลสแห่งบุคคลผู้ปรารถนาบริสุทธิ์ยังกิเลสเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้อันตรรทานมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าทุกดงคาคุณนี้จันทะสมังเหมือนหนึ่งพระจันมีรัศมีเป็นที่จะประโคมใจให้ระงับกิเลสเหตุว่าจะประกอบใจให้บริสุทธิ์อาจหาน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 พหุปการังมีคุณอุปการมากหิตะการังกระทําให้เป็นคุณโยคะการังกระทําให้ประกอบซึ่งอุตสาหะในปฏิบัติปิยะการังกระทําให้เป็นที่รักด้วยดีอวัชะการังกระทําให้หาโทษไม่ได้ว่าหิการังกระทําให้ไปจากบาปปฏตติที่ตัง้งเป็นที่ตั้งอาศัย ยสาวะหังสุขาหรังจะนำมาซึ่งยศและสุขสุขวิปากังให้ผลเป็นสุขคุณนราสีเป็นกองแห่งคุณคุณนบุญชังเป็นกลุ่มแห่งคุณวิปริมิตะวรัตตังมีสภาวะประเส ร, ริฐ จ, จะนับไม่ได้สัพพัฏฐปรวรคัฏฐานังเป็นที่แห่งคุณอันประเสริฐและประโยชน์อันเลิศในที่ทั้งปวง พยานุทังจะกําจัดเสียซึ่งภัยอันใหญหลวงโสกะนุทังจะกําจัดซึ่งโศทุกขะนุทังจะกําจัดเสียซึ่งทุกทรัฐะนุทังจะกําจัดเสียซึ่งร้อนรนปริลาหะนุทังจะกําจัดเสียซึ่งกระบวนกระวายหนึ่งจะกําจัดเสียซึ่งอริวิภากทั้งหลายและหลักต่อเสี้ยนน้ำ และจะกำจัดเสียซึ่งพบทั้งสามมิได้บังเกิดต่อไปหนึ่งจะกำจัดซึ่งมานะทิฏฐิสพระอากุศลธรรมทั้งปวงเปรียบฉันใดนะบ่อพิษพระราชาสมภารเปรียบปานดุดบุรุษอันซ่องเสพซึ่งโภชนาหารหวังจะให้อุปถรัรมเป็นกำลังแก่ชีวิตของตนบุคคลบริโภคเพศัทยาทั้งปวงหวังจะให้โรคบันเทาหายบุคคลคบมิตรสหาย หวังจะป้องกันซึ่งอันตรายต่างๆบุคคลมีนาวาหวังจะไปทางน้ำแถวชนลมากบุคคลสแสวงหาคันธชาติมีกลิ่นวิเศษเหตุพอใจหอมบุคคลย่อมคบคนกล้าเหตุว่ากลัวภัยบุคคลอาศัยพื้นปฐ พ, พีเหตุว่าเป็นที่ส่งดำรงอัตมาบุคคลสแสวงหาอาจารย์เหตุว่าอยากได้ศิลปศาสตร์ บุคคลเป็นฆ่าเฝ้าพระมาหากษัตริย์ราชอาศัยปรารถนายศบุคคลสแสวงหามณีเหตุว่าเป็นที่จะให้สำเร็จความปรารถนายะถามีครุวนาฉันใดอริยาอันว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายสแสวงหาและรักใคร่ซึ่งทุดงสิบสามเหตุความปรารถนาซึ่งพระสามัญญผล น, นั้นเอวะเมวะเหมือนกันกับ ที่เปรียบมาข้างต้นนั้นมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอุทะกังพีชะวิรูหนียังถ้ามิฉะนั้นดุดน้ำเป็นที่จะรสศาสตร์พืชพันธ์ทั้งปวงให้เจริญและดุดเพลิงเป็นที่สำหรับหุงต้มเผาจีและดุดอาหารอันเป็นเครื่องนามาซึ่งกาลังและตาพันธนียังถ้ามิฉนั้น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 เหตุว่าเป็นที่ไว้ของทั้งหลายดุดรู้มนที่ดีเป็นที่จะไา่ตามลัทธิที่เรียนมาดุดอาวุธสตราเป็นที่จะเงื้อเงื้อคุกคามดุดประทีปเป็นที่จะตามในราตรีดุดเสพนารีเป็นที่จะทาซึ่งความสีเนหาดุดมีศิลปศาสตร์วิชาที่หวังว่าจะเลี้ยงชีวิตและดุดสแสวงหายางูพิษ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 สามัญญาพีชะรุหน n i ยังเป็นที่จะจำเริญซึ่งสามัญญาผลกิเลสชาปนิยังเป็นที่จะบรรเทาเสียซึ่งกิเลสสีละวั ต, ตะมะหารังควรจะนำมาซึ่งสีละวัตวิวิทะสมักคะกาณังเป็นเหตุจะให้พร้อมเพรียงด้วยธรรมต่างๆวิมติวิจิกิจชาสาระวิโนทนัง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 และจะดับซึ่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขทโทมนัสสุ ป, ปายาสภัยอันควรจะสะดุ้งตกใจกลัวสามัญญะคุณปริรักขนังเป็นที่จะรักษาไว้รอบคอบซึ่งสามัญญะคุณกุวิตักะกิเลสะปวาหะนังจะลอยเสียซึ่งกิเลสคือวิตกอันร้ายชั่วชา เกวัลสักรสามัญยะมนุสสสนังเป็นที่จะสั่งสอนให้ได้ซึ่งสามัญญผลทั้งปวงสิ้นเสร็จอันหนึ่งเป็นคุณอันงามเป็นที่โลกจะสรรเสริญเหตุจะให้เห็นซึ่งสามัญญผลอันประเสริฐคือสมถวิปัสนามรรคผลและนิพพานสภาปายะปิทะหนังจะปิดประตูจตุราบายทั้งปวงเสด้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 จะมีไปในชาติหน้านั้นคือกระทากาลกิริยาตายลงจะไปเสวยทุกขเวทนามกไหมอยู่ในอวิจีนรกขุมใหญ่จะกลิ้งเกลือกเสือไปไฟไหม้ทั้งเมื้องบนและเบื้องต่ำแต่ทนทุกอยู่นั้นมากกว่าพันปีแสนปีครั้นตายจากอเวจีแล้วจะมาบังเกิดเป็นนิชามะตันฮิกะเปรตมีกายอันโตใหญ่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 เปรียบประดุดบุคคลต่ำตระกูลบุญน้อยได้ราชสมบัติถอยจากราชสมบัติต้องถูกฆ่าฟันตายฉะนั้นมหาราชขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารส่วนว่าอยู่ขาวจรภิกษุรูปใดมัดน้อยสันโดษมีเพียรอุตสาหะมิได้เกียรติครานมายาปรารถนาจะเปรื้องปลดอัตมาออกจากชาติที่ทุกชาราทุกพยาทีทุก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 มะลิลาเป็นต้นเป็นที่ยินดีแห่งมหาชนอันมีประโยชน์จัทัศนาและดุจโภชนาหานอันประณีตเป็นที่ปรารถนาแห่งบุคคลอันอดหิวมาและดุจอุทกทาราอันเย็นเป็นที่จะอาบกินแห่งคนอันร้อนรนกระหายหิวมามิฉนั้นโอสถังวิยะดุจยาหอมเป็นที่ปรารถนาแห่งมหาชนอันร้อนรนด้วยโรคภัย ถ้ามิฉนั้นดุจราชรถทั้งหลายอันเทียมพาชีอาชาในย่อมเป็นที่พอใจแห่งคนเดินทางเมื่อลาถ้ามิฉนั้นดุจยานอันรวดเร็วนั้นย่อมเป็นที่รักแห่งบุคคลอันรีบเร่งทุเรศร้อนในทางไกลถ้ามิฉนั้นไซมโนหะระมณิรัตนงวิยะดุจ ด, ดวงมณีรัตนะมนโนหะระจินดา เป็นที่ปรารถนาแห่งแสนสาธุชนถ้ามิฉนั้นดุจดุริยะดนตรีตแตรสังเป็นที่ควรจะพึงฟังแห่งบุรุษนารีผู้นิยมยินดีด้วยศรัทธารมอันสุมทนถ้ามิฉะนั้นดุจคนฟ้อนย่อมเป็นที่สโมสรแห่งชนอันยินดีปรีดาด้วยรู ป, ปารมรื่นเริงกำหนัดถ้ามิฉะนั้นดุจมนทลเสวตฉัตร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 แกท่านพูดถือทางธุดงมั่นคงไม่ประมาทใช่แต่เท่านั้นพระอิทธิบาท 4, สัมสมัตประธานสอิน 5, รีห้าพละห้าโพชงเจ็อัังกิกรรมัก8ปประการและสมถาวิปัสสนากรรมฐานปฏิเวทธรรมและพระสามัญญผลสี่พระปฏิสัมพิทาสาวิชาสามอภิญญาหกอันว่าสมณธรรมทั้งสิ้นนี้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 ผู้มีทรัพย์เที่ยวทอดเทเผื่อแผ่ไว้เป็นอันมากครั้นพ่อค้านั้นจากเคหาลงนาวาไปสู่นานาประเทศคือเมืองสุวรรณภูมิและเมืองอื่นๆทั้งหลายก็ซื้อง่ายขายคล่องได้สำเร็จดังเจตนายะถามีครุวนาชันใดพระโยคาวจรตั้งอยู่ในทุดงสิบสามนั้นทุดงย่อมพาไปให้บรรลุคุณวิเศษต่างๆ มีอาสวัคคยาญาณเป็นที่สุดได้ฉันนั้นขอถวายพระพรมหาราชะดูราณะบพิษผู้ประเสริฐอันวัตุดงสิบสามนั้นคืออรัญญิกะทุดงหนึ่งปินดาปาติกะทุดงหนึ่งเตจีวริกะทุดงหนึ่งสปะทานจาริกะทุดงหนึ่งคลุปัชชาพัตติกะทุดงหนึ่งเอกาสนิกะทุดงหนึ่ง เนสัชิกะทุดงหนึง่งยถาสันทติกะทุดงหนึง่งรุกขาโมลิกะทุดงหนึง่งอภโกาสิกะทุดงหนึง่งปังสุกุลิกะทุดงหนึง่งปัตตปิ น, น, นิกะทุดงหนึง่งโสสาริกะทุดงหนึ่งสิริเป็นสิบสามด้วยกันมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารอันว่าทุดงสิบสามประการนี้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 เหตุเมื่อเดิมกระทําดียะถามีขรุวนาชันใดบัณฑิตตยชาติที่ได้รักษาทุดงไว้ในชาติก่อนก็เหมือนกันดังนั้นก็ได้สันตสุขสมาบัตง่ายๆในชาตินี้ดุจชาวนานั้นมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารประการหนึ่งเปรียบปานดุจบรมกษัตริย์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 องค์พระโยคาวาจรนั้นได้บรรลุสำเร็จแก่วิชาจารณะได้เป็นอิสระในพระศาสนาก็อาศัยเพราะได้รักษาทุดงไว้มั่นคงเหมือนฉะนั้นมหาราชาขอถวายพระพ ร, พรบพิทธพระราชสมภารบพิจจะไม่เคยได้สวนาการทรงฟังบ้างหรือพระอุปเสนเทระองค์หนึ่งมีศีลบริสุทธ์เป็นบุตรแห่งวังคันตพราม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 พระขาวาจตังสุวินีตังปริสังโอโลกยิตตวาส่วนว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรดูกิริยาภาทีของภิกษุผู้เป็นบริสัทธสิทธิพระอุปเส น, นั้นดูนี้เป็นแบบเดียวพิม์เดียวกันมีพระพุทธหฤทัยหันษาสัททิงสัลาปังสันลปิตตวาสมเด็จพระบรมโลกาาศาสดา ตรัสสนทนาปราศัยด้วยบริษัทของพระอุปเสนนั้นแล้วมีพระพุทธดีกาตรัสว่าดูราณะอุปเสนสงบริษัทสิทธิ์ของเธอนี้ดูสุจริตกิริยาดีเป็นพิมพ์เดียวกันดูราณะอุปเสนบริษัทสิทธิ์ของเธอนั้นสั่งสอนกันด้วยอุบายประการใดพระอุปเสนได้ฟังพระพุทธดีกาตรัสถาม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 ประดับไปด้วยใบยอ่อนเกสรและกลีบประการหนึ่งพะระมระคณะเสวิตังมีหมู่แห่งมแมลงผู้แล ะ, มะแมลงพึ่งบินโฉบฉาบคาบเกสรประการหนึ่งศีตละสะลิละสังวัฒน์ถังเจริญขึ้นแต่ในน้ำอันใสสะอาดบริสุทธิ์ประการหนึ่งสิริเป็นสิบประการเท่านี้อันว่าปฐมชาติเป็นของประเสริฐ ประกอบไปด้วยคุณสิบประการนี้ยะถามีขรุวนาฉันใดมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารพระยูคาวจรเจ้าที่ซ่องเสพสมาทานในทุดงขาคุณมั่นคงนั้นก็เป็นผู้ประกอบด้วยคุณส0มสิบประการสีนิทะมุทุมัถวะเมตตาจิตโตคือจะมีเมตตาจิตอ่ อ, อนสนิท ในสัพพสัตว์ทั่วไปประการหนึ่งคาติตะหาตะวิคตะกิเลโสมีกิเลสอันพิฆาตฆ่ากําจัดให้ปราศ จ, จากไปประการหนึ่งนิหาตะมานะทิโถเป็นผู้กําจัดเสียซึ่งมานะและทิฏฐิประการหนึ่งอาจละทันหะนิวิทธนิเพมติสัตโธมีศรัทธาอันมั่นไม่ได้วันไหวปราศ จ, จากสอดแคล้วสงสัยประการหนึ่ง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 ปัสัะะมณัคชนานังทุวะทัปปิตะโธมิตะปัสสะโธเป็นที่ไหวและสันเสริญแห่งหมู่อสูรและเป็นที่ชื่นชมโธมนาการแห่งมารทั้งหลายประการหนึ่งโลกะมนุปปริโตมิได้ระ ค, คนปลเจือไปด้วยโลกประการหนึ่งอัปะโทกลางอนุวัชชะพยาทสาวีมีปกติเห็นซึ่งโทษและภัยแม้แต่เพียงเล็กน้อยประการหนึ่ง มัคคะพละปะวรัตะสาธโกให้สำเร็จซึ่งประโยชน์คือมรคและผลอันประเสริฐแก่ชนทั้งหลายผู้ปรารถนาจะพ้นทุกประการหนึ่งอายาจิตตะวิปุละปณีตะปัจจยภาคีสมควรที่จะอาราธนาถวายจจตุปใจอันไพบูล์และประนีตประการหนึ่งอนิเกตะสยนะกามีเป็นผู้ปรารถนานอนในที่หาอาลัยไม่ได้ประการหนึ่ง ชาณชายิกะประวระวิหารีมีปกติเพ่งชาญและมีวิหารธรรมอันประเสริฐประการหนึ่งวิชติตาชาละกิเลสวัตถุวิทังสิตะภะโคเป็นผู้กำจัดและหักรานเสียซึ่งวัตถุแห่งกิเลสซึ่งเป็นดังข่ายอันรกชัดให้ขาดศูนย์ประการหนึ่งสังกุติตาสัญชนะคตินิวารณู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 วิมุตติชายิตตโตมีจิตเพ่งเล็งซึ่งวิมุตติประการหนึ่งทันหะธรรมโมมีคุณธรรมมั่นคงแน่วแน่ประการหนึ่งทิฏฐะธรรมเมอจละทันหะพิรุตตมนุปะคตโตจะมีจิตมั่นมิได้โลเลกลัวภายในทิฏฐธรรมประการหนึ่งอนุนยสมุตฉินโนจะตัดเสียซึ่งความยินดีตามประการหนึ่ง สภาสวัขยับปัตโตจะถึงซึ่งอาสวัไขประการหนึ่งสันตะสุขะสมาปติปฏิละพติจะได้ซึ่งสันติสุขสมาบัตดประการหนึ่งสมณะคุณะสมุปโคจะประกอบไปด้วยคุณแห่งสมณะประการหนึ่งสิลิเป็นคุณสาสประการชนีมหาราชคขอถวายพระพรบอรพิษพระราชสมภาร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 อันว่าบุคคลผู้ทรงซึ่งธุดงนี้ให้ซึ่งอนันตคุณแก่ผู้อื่นได้ขอถว า, ายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาเป็นใหญ่ในสาขาราชธานีได้ทรงสวนาการฝั่งพระนาคเสนท่านสำแดงซึ่งทุดงคคุณ น, นี้ก็ชื่นชมนิยมยินดีว่าสาธุพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา